ไม่มีความเข้าใจในชิดนี้เวลาก็หมดไปปา่ปาดปราชาประโยชน์แต่ประการใดถึงหากว่าคืนวันเวลาล่วงไปเวลานี้ขนานพระอาทิตย์เดี่ยวรักชายมะพร้าอาสดงอรรัสดงคดตกไปแล้วชีวิตของเราก็หมดไปหนึ่งวัน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 เดินทางผิดคิดจนตัวตายครอบเหยื่อครอบครัวครอบลงไปที่ครัวครัวแปลว่าอะไรแปลว่ารับผิดชอบในครอบครัวถ้าท่านทั้งหลายไม่ปฏิบททัติธรรมท่านจะรู้ได้อย่างไรปัญหาของครอบครัวมีอะไรบ้างมาตมาได้รับฟังทุกวันหน้าใจหาย ปัญหาของครอบครัวทุกวันเนี่ยไล่คุณภาพขาดคุณธรรมหนึ่งไม่มีความสุขทะเลาะกันตลอดไม่เป็นเพื่อนคู่คิดไม่กูบานจะเป็นการใดเพราะขาดคุณค่าของชีวิตชีวิตไม่มีค่าจึงต้องทะเลาะคนที่ไล่คุณธรรมขาดเหตุผลจะทะเลาะกันเสมอเพราะเหตุใดความคิดไม่ตรงกันความผูกพันในความรักข้ามหรือไม่ไปผูกพันในความมคุน ผูกพันในการว่าท่านท่านไปนลูกเศรษิสามีภรรยาไปลูกเศรษิแต่หาความดีชุดหาดีไม่ไม่เกิดประโยชน์ผลดผลจากการใดจึงทะเลาะคนทะเลาะวิวาทกันเป็นค น, ช, นชีวิตติดทรัพยากรชวิตตกไปแล้วไม่มีค่าทองเอ๋ยทองคำเพชรเอ๋ยนินจินดำอยู่ในร่าง ของเราเหมือนมีค่าราคาแพงแต่ก็ไม่แพงอะไรเท่ากับชีวิต ท, ที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่อกายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่เรารับผิดชอบได้สมกับหน้าที่พ่อบ้างแม่เลือนไม่เชิญแฉรับผิดชอบแต่สามีภรรยายาุคใหม่สมัยนี้ไม่มีการรับผิดชอบทะเลาะกันตลอดแต่มาพูดกับท่ามานานเนี่ย เจอเช้าได้เย็นได้เย็นจริงตอนเช้าเลี้ยล้ายในช่วงโคมยุคใหม่สมัย professors? นี่เหลือทรัพยากรชีวิตที่มีค่าราคาคนมันตกเพราเศรษฐกิจมันตกดังที่เก่าแล้วเศรษฐกะะิจตกไม่เป็นไรชีวิตการงานและหน้าที่อย่ากตกโปรดรับผิดชอบสามีภรรยารับผิดชอบพ่อบ้านการเมืองจะได้เรืองลูกแม่บ้านรับผิดชอบ แม่บ้านการเลีอยแทรศาสาแม่แบบแม่แผนแม่แผนดูแลลูกที่ปลูกพันธลูกพันด้วยความดีในลูกรักยังแก้วตานี่ชู้ไม่ค่าลูกรักยังแก้วตาหมายความเ่ียท่านผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายลูกแสนจะรักแก้วเผยแก้วตาแก้วตาขวาลูกชายแก้วตาชายหยุดสามคู่คิด ชีวิตมีค่าคือสามีภรรยาน่าจะตีความให้ง่ายพาไปตีความยากเ่ยมาที่กุฏิทุกวันร้องโห o m ร้องไห้ตลอดเดินยิ่งแน่ยิ่งดินยิงเนี่ยวันนี้ชัดเจนยิ่งดินยิ่งเนี่ยไม่มีการหละลวมหรือดินไม่หลุดผูกให้มันแน่คับแทนใจตลอดในกลา เหมือนท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมสช่หรท่านทั้งหลายโอ้ยรีบพายได้ไหยพี่น้องทีละรีบพายรีบแจวตะวันจะสายสายบัวจะเน่าตลาดจะวายตะวันจะสายสช่หรือสายบวจะเน่ารีบพายแม่คุณพ่อคุณรีบพายพายไม่ได้เลย พายไม่ไปโซ่ไม่แก่ลูกประแจไม่ไขาพายไปได้ยังไงติดโซ่อยู่ทุกวันผูกมัดติดท่านจะดินยิงยนงยยิงดินยิงเนี่ยทั่วตรงนี้ป็นเรืัญถ้าโซ่แก่ลูกประแจขไข genauso. เรือจะได้พายไปได้ไหวตะวันจะสายใช้บัวก็จะไม่หนาวแต่ลายก็คงไม่ไหว บาดนี้ตลาดก็วายตะวันก็สายสบัวก็จะเน่าไปไม่รอดไม่ปลอดภัยไหนเลยแล้วท่านจะมีเผลที่ดีนะในคนหนึ่นงในครอบครัวปัญหาครอบครัวตอบญี่ปุ่นศายตอาจารย์ไปแล้วเมื่อวานยอมรับโอเคเขาเองเนี่ยเป็นท่าหี่ปุ่นได้ภรรยาตรงหลายคนเจ็ดวันเลิกกันสามเดือนเลิกกันเลย โลงเป้าหมาที่แบเขาตั้งตาเรื่แต่มาตอนหลังคิดได้มีภรรยาใหม่บัดนี้สามสิบปีแล้วยังอยู่ดีตลอดก็เพราะเหตุดังกล่าวนี่ปัญหาครอบครัวถ้าท่านมาจเจริญกรรมฐานเพื่อจะรู้ปัญหาในครอบครัวปัญหาของลูกรักอย่างแก้วตาลูกรักอย่างแก้วตาคืออะ ไ, ไม่มีเลย ชิงลูกทิ้งตา้าสารเยาวชนราชบุรีพันห้าร้ยคนเตยาตัติในแบบปัญหาครอบครัวปัญหาลูกช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกเลวร้วายคืออีแม่ต้องพูดอย่างนี้แม่ประดิช่องว่างระหว่างลูกกับแม่ห่างเหินดำเนินชีวิตที่เลวร้วายในสันงคมเดินทางผิด คิดจนตัวฉลายมีผัวผิดคิดจนตัวตายนาชดายน์ปัญหามาให้เราทุกวันวันนี้ปัญหาเยอะนี่ปัญหาครอบครัวอีกพ่อแม่ไม่มีความรักอยู่เลยลูกไม่ชาที่พึ่งไม่ได้ก็ไปพึ่งเพื่อนที่เวลวร้ายโชคร้ายไปเพื่อนพึ่งเพื่อนอันตรพารพาลูกไปพลาดผิดคิดจนตัวตายในสังคมต่อไป ทั้งหลายผู้เป็นพ่อแม่ของลูกถ้าลูกเป็นอย่างนี้ท่านจะเสียใจไหมลูกไม่เรียนหนังสือเนี่ยจะเสียใจไหมจะเสียใจถ้าจะวางวายชีวิตจะวางแวกเป็นประแปรปิงเท่าชะแล่แกชะลาจะตาอย่างแท่งถึงหาที่พึ่งไม่ได้อย่างเปล่าเลยชัดเจนมากไม่ใช่มาน่งปฏิบัติธรรมมาบทชีพรามณนู่งขาแล้วได้บุญ ได้บาปไปเยอะเลยได้บาปไปเยอะเลยมันนั่งคุยกันหาเรื่องหาราวคุยกันเท้าความหลังคนง้นเท้าความหลังคนนี้ได้อะไรได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยปัญหาที่สองลองมาแค่ปัญหาชุดไม่ได้ยิงเดินยิงเนี่ยยิงเดินยิงเนี้ยๆๆยิงเดินยิงไม่ออก พบกับปัญหาที่ปัญหาที่สามลูกไม่เรียนหนังสือแต่มาเขาจเจริญพรท่าทั้งหลายมาจากแม่เป็นอันดับหนึลูกไม่อยากเรียนหนังสือเพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยสวดมนต์ไหวพระอลูกจางห่างเหินกับความดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้จึงออกไปนอกประเด็นสังคมฝากไว้ด้วยเดือ แต่แม่กำมาถางจะรู้ลูกชอบอะไรชอบสามอย่างหนึ่งชอบความรักใครมีลูกถึงจะรู้ล้วโยมเคยเป็นเด็กมาเนี่ยเมื่อเป็นเด็กชอบความรักไหมโยคะชอบไหมไม่ชอบก็ดีชอบให้พ่อแม่รักและให้ความอดทนพ่อแม่ชิ้ลูกมันจะดูแลลูกเลยลูกจะไปผูกพันกับใครล่ะ ลูกใหต้องออกไปนอกประเด็นชั้โคมไปครอบเพื่อนที่เวลวายต่อไปพ่อแม่จะรวยกี่ร้อยล้านก็เอาลูกดีไม่ได้ดังที่กล่าวประการที่สองลูกชอบอะไรโยมเคยเป็นเด็กด้วยกันทั้งนั้นชอบอะไรเด็กชอบอะไรชอบอยากลูก้อยากเห็นอย่าเป็นพยานหลักฐานอาชอบคน้นวันนี้นีมันมนีอะไร้องมาเปิดใช่แตกทั้อ่ะ คนโนคนนี่ตลอดอย่าตีลูกทำถ้วยแตกอย่าตีถ้าถ้วยแตกเชื่อได้ไหมคะแล้วลูกแตกไปจะไปเอาที่ไหนแล้วทำลูกเนี่ยมันง่ายหรือยากทำลูกเนี่ยง่ายหรือยากนะยากยากอย่าตีลูกเลยไหมถ้วยแตกเนี่ยไปเชื่อได้ชาววิชามีขายเยอะแต่ลูกแตก อยากจะเรียนถามไปซื้อที่ไหนคะหาซื้อไม่ได้ยังงั้นเหรออาตมาอยู่วัดมานานไม่ทราบไม่ชาบอกรู้จักทาบอมไหมก็ทอลอสาอาตัวบอกแตกแล้วไปซื้อมา ตีลูกเพราะหัวแตกมือล่ะตนายซื้อที่ไหนก็ไม่ได้อย่าตีลูกลูกชมเพราะต้องการรู้สามลูกชอบวิชละเสรีเป็นเด็กชอบอิชาละไม่ชอบให้พ่อแม่บังคับจนเกินไปหนามแหลมใครเชี่ยมมันเอาตัวมันเปรี้ยงทะเบียถึงมันกลมเนี่ยอย่าไปตึงให้มันเละนามแหลมเนี่ยอย่าไปเชี่ยมอาจจะเสีย ถูกก็ผิจะถูกยังไงยังงั้นเหรอเพิ่งรู้วันนี้เหมือมีลูกกี่คนคะสองดีไหมผู้หญิงผู้ชายแล้วคนลูกชายคนโตดีไหมลูกชายคนโตดีไหม ลูกชายคนโตเป็นยังไงไน่ะงานนึกแล้วถึงต้องถามถามเพื่อจะหาเรื่องว่าจะได้ไม่เปลี่ยนเวลาว่าลูกชายคนโตเป็นอย่างไรถามเจาะจงรู้ว่าปล่อยไปนานแล้วขายไปชะแล้วเหรอนะขอข อ, จ เ, อจเจริญพรจะชี้แจงให้เข้าใจว่า เาวัดดีสุดที่พูดมาเกี้ยพูดตามช้งโคมที่เขาผ่านหันหลังเข้าวัดจนดไม่มีหันหน้าข้าวัดเลยหันหลังเข้าวัดคือไม่มีศรัทธากับวัดเัมือนพออพอแอตามโรงเรียนเอานักเรียนมาอบรมแต่พออบอกว่าอาจารย์ส้งโคมเอาเด็กไปวัดเสียเวลาเอาเด็กไปนั่งสมาธิสวดมนต์เสียเวลาท่านะเสียเวลาเรียนตเอาเดยกไปทัศ น, นศึกษา ทันหน้าเขาวทิทันหลังเข้าวัดขอออย่างนี้มีจํานวนมากเด็กจึงเสียหายแต่สร้างความดีไม่มีใครจะสร้างสร้างความชั่วชอบกันทั้งนั้นเพราเหตุใดเพราะความดีเป็นศัตรูชีวิตเงินทองเป็นอสสรพิษเงินทองไป็อสสรพิ ษ, ไ, พษไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามากัดการฆ่ากันตายในกรุงเทพไปจํานวนไม่ใชนอยถ้าของเราแย่งหาได้ควรความมุ่ยสุดใจต้องรักษาไว้ดี นี่จะมีประโยชน์ในชีวิตมหาศาลขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนเนี่ยการเจริญกรรมาฐานแสนจะยากมากศาสนาอาจารย์ญี่ปุ่นถามวม่วานท่านเทระว่าเขาเป็นศาสนามหายานเขาบอกศาสนานี้พุทธนี่สิญาณเทระว่า ต้องการจะไปสวรรนิพพานแต่หลวงพ่อไม่ต้องการไปสวรนิพพานนี้ถึงได้มาทํางานแบบสังคมที่ช่วยเหลือคนโน่นช่วยเหลือคนนี้เลี้ยงคนตลอดเพราะเหตุใดถ้าไม่ใช่เราจะตอบไม่ได้เขาถามที่หลักเราต้องตอบล้วก็ตอบเขาบอกว่าเหตุที่ขา้าพ้าพิจารณาคําสอนที่เจ้าเนี่ยนิพพานเนี่ยมาผล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 ตองการชั่มเดชนักผลนิพานก็จริงแหละแต่ถวา่ายไม่ต้องการจับมาเบียนว่า้ตายเกิดอยู่ในวัดตะทุสงสารต่อไปแล้วเหตุใดเล่าทําให้หลวงพ่อต้องมาทํางานสังคมช่วยเหลือสังคมโดยมาหยุดพักอบรมคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนวัดอื่นทําไมไม่ทําเทระวาดชอบนั่งในถ้ำนนนในเหวไปชวนนิพานใโยมมานิพน้องชายบวชห้าพรรษาที่จะพรีอยู่ถ้า แสงอะไรไม่ใช่หายไปมาหวานเขาอยากจะตายบัวท่าภาษาแหกถ้าไปแล้วตามตัวไม่เจอมาให้ตา ม, มาไปตามก็าตา ม, มาไปรู้เลยเขาไปที่ไหนนี่คำ้ำตักรีหลายคนหนึ่งปริญญาโทตุลามานั่งกรรมาฐานที่ผ้าหวานดีแล้วเพื่อนชวนไปเข้าถา้ำนครฉวัตรเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาหาพ่อแม่พระพาเขาถ้ำโอหอไป เร็วมากถ้ำแปรวาสมาธิตรงไหนก็ได้ลูกขมูและเสนาฉนางนิสายปปะปิชาตัสทัเตยยาวติวังอุจาโฮนิงยงอธิเลระโพรเรามาวัดเพื่อความสนุกอยู่คนมาเรือนล่างวางเปล่าไม่ไปคุยกันหห้าโลจจโย โ, โคปาสาโคหัมอย่างคู่หาให้เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำอย่าออกมาเหมือนเรื่องชาลาวัน ขาพันตาพยาพันวนังชาละวันเอ้ยเจ้าจงไปบเนเนะเพนสิงในถ้ำถ้าออกมาต้องตายหมดอายุแล้ววันเกิดของชละวันเขาจะต้องตายตายทองจะต้องแทนที่ของความกาเลยเข้าถา้ำคูหากลายเป็นมนุษย์โสภามีสติสัมปชัญญะกลายเป็นมนุษย์ติอมภากลายเป็นมนุษย์คนที่มีส ต, ติปกติจะเป็นมนุษย์สา ม, มุทธภูโตมนุษย์โสภาสวยน่ารั ออกจะท่ามคูหากลายเป็นกุมภา้าหัวเวียงหากลาในโจรธาตุถูกไ้ตายทองแทงเ์ถึงความตายเพราะเหตุใดไอตายทองตามล่าอัญชลวันไปด่าที่นาทรรมไปด่าที่นาธรรมถ้าพันตาพยาปานทังคืออายกาเป็นเป็นเจ้าปู่อัชละวันเ อ, อ่ยบางเพลินออกไปตาย นั่งเจริญกรรมาฐานมีตามานมานไม่มีบา ร, รมีไม่ไม่มานไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้เอาชาลาวานมันเคยเป็นเดรัจฉานแต่ยินเสียงด่ามันทนไม่ได้น้อยไปกู้ก็หนึ่งในตองอูควาหัวเวียงหาออกจากถ้ำกลายเป็นกุมผ่าไม่มีสติสมาธิกลายเป็นเดรัจฉานยมเข้าใจคำนี้ถ้าเรามมีสติดีเป็นมนุษย์โสภา อาคาสติเมื่อไรอารมณ์เสียเป็นเดรัจฉานเมื่อนั้นจึงตง้กงกังวลว่าโกรธนองโกรธนองพอลงดีแล้วเป็นมรุมโสโผพาโผพาโผเพีหน้าตาดีๆหน้ารักหน้าใสาหน้ายินดีหน้าประดับสามโหกโกธาเหมือนยักษเป็นมารหน้าตาไม่ดีไม่มีเยี่ยามเยี่ยมแจ่มใสแจากชุนานาเประการใดอันนี้เรื่องจริงในชุดของคน คนเราตีหน้าได้หลายอย่างวันนี้มีคนมาขอคาถาพระพรมบอกคาถาของเรามีท่านจ้าด้านถ้าพรมเนี่ยเนี่ยที่ของเรานี้ยตรนี้พระพรมที่ขุดได้ได้เสียนถ้าพรมมาอายุต้อไปล อ, อ, อยๆอีกเอามาช่อมขึ้ต้องการให้เราบูชาพระพรมว่าเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาวิหารธรรมต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่หน้าเคารพ หน้านบวายมิสีหน้าหน้านี้เมตตาตูนามิสิตาเบคาต้องการให้เราเป็นผู้ใหญ่มีมีหานะเมตตาต่อผู้น้อยเห็ดไหมต้องการบูชาพระพุทธเจ้าเมตตาคุณนางอลหลังเมตตาหน้าทางนี้จะบอกว่าเมตตาคุณนางอลหลังเมตตาเห็นไหมเมตตาเป็นคุณประโยชน์ต่อโลกชาวโลกคุณนางเป็นประโยชน์ต่อชาวลลก 阿拉หังเมตตากลายจากกิเลสเนี่ยจิตถึงจะมีเมตตาบริสุทธิ์ุดฟองมันทองคำธรรมชาติที่รลักอบยุทธ์ชัดเจแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักแล้วจ้าคาถาเนี่บูชาะสมไปตั้งพระพรหมมนเต็มเนี่ยถ้าคนไหนมีพระพรมมีอารลฐธรรมขายหยิบขายดีเอาพระพรมนี่ไปได้ไหมเมตตาคุณนางอหลังเมตตา สอนสีไปภาวนาหนูจะเรียนเก่งเลี่ยงข้าวนาจะค้าขายเงินแลวนองทองได้มาแม่ตาพุนางอยู่ในตาหัวใจก็ะผมชมริหาและรมแปลว่าเป็นผู้ใหญ่หนูยังเยาว์วัยถ้าปฏิบัติไม่ได้หนูจะเป็นผู้ใหญ่ไม่จะคุ้นแก่แกอะไรแกที่อยู่นานหัวงอกหัวดำไม่เอาไหนมี้แม่ตาแ้วใครเลย มนันมีมุขตาสแสดงความดีดีก็ค่ะไม่มีความสงสารใครมันมีความวดีๆกับคนอื่นครับไปเห็นคนทําชั่วแช่งชาข้ากวกระลูกหน้าจำวางอุเบกขาไม่น่าจะไปแช่งเขาทาไมไม่ถึงจะเป็นสติที่เจ้าสอนที่ทำลูกพระพรหมขึ้นมาต้องการจะให้เรารู้เป็นปรีศนาธรรมมีสี่หน้าไม่ใช่หน้าเดียว หน้าเดียวก็กลายเป็นคนต่อหน้ามาพับหลังตะโกต่อหน้าสมโมแล้วหลังท้มแข็งเพ่งไม่ลงถึงนโกงจาาเป็นดอกบัวเห็นความทั่วเป็นความดีเอาดีไม่ได้ด้าที่ก่าวแล้วหนูต่อหน้ายัางไง ร, รับหลังต้องอย่างนั้นเข้าใจไหมนี่ถือประพฤติลายเป็นผู้ใหญ่ที่หน้านับถือหนูจะไมีอายุน้อยเพียงใดก็ตามขอให้พูดจริงทำจริงชัจเจนไม่ซาว ส, สมัคคีมีไหน มีคนนับหน้าถือตามอ่ะแต่ยังไงหัวงอหัวดําคูดทิงขึ้นทิ่มหลอกหละล้วมหล่อแหล่เหลวหลาใครจะนับหน้าถือตาเป็นผู้ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นอาจะรย์แก่คนอยู่นานเท่านั้นแต่ไม่จะเป็นคนรักการอยู่รู้การเวลาจัดการไดกลายเป็นคนไร้สาระกลายเป็นคนเห็นกรงกาเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นความชั่วเป็นความดีไปเลย คนประเภท น, นี้มีมากหลากหลายมาในสังคมทุกวั น, นหน้าที่ได้เวลาที่มีประโยชน์มากหมูจะเป็นเด็กเยาวชนมันช่างกุ้ขนในใจอย่างหมูม้ากูก้ขนแปลว่าตั้งใจทุกอย่างบุญแปลว่าความสุขในชีวิตขอเอาความสุขมาใชา้ใจตั้ง อ, อูตั้งใจให้ดีจะได้มีปัญญาไม่มีความสุขเลยในชีวิตตลอดมา จนเท่าเเลแต่แต่ฉลาดตายแช่งถึงหาความชี้พึ่งมิดัดสามีภรรยาไม่จะเป็นที่พึ่งสามีภรรยาบางคู่เสียใจเยอะเป็นคู่นอนกะตะวันไม่เป็นเพื่อนคู่คิดไม่คูบาทไม่มีความสุขต่อกันนี่แหละปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นลูกไปเล่นหนังสืออย่าไปโทษเด็กทอดพ่อแม่ไร้าสาระ พ่อแม่ไม่คุ้ค่ามันดับสื่อเศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องไปหนี้เข้ามากมายแต่กอกไม่มีปัญญ า, าจะหาใช่ไหมปัญหาที่ห้าครอบครัวมีห้าปัญหามีเงินมามีทองมากมายจ่ายทองป่องตะเกียบจตกลายไปยากจนแม่ตังเดียวไม่มีเอาเงินไปตองเงิน เอาเงินไปตามเงินไม่ได้เอาเงนไปตามงานไปเล่นการพนันไปเล่นหุ้นไม่ได้ต้องเอางานไปตามเงินงานเดินเงินจะตามมาหายแต่เป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจอันใดก็ตามงานเดินมาอะไรเงินจะตามหายไม่มีงานเนี่ยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็สิงานการก็ไหม่อนเงินจะมาได้การประฎานเนี่ยแก้ปัญหาครอบครัวได้เนี่ย สมาฐานแปลว่าการกระทําให้ฐานะดีการแปลว่าการจะทําฐานตัวฐานตัวขอฐานไม่สอถูกเจตใจมีฐานะจจตใจมีหลักฐานสติถ้าไม่ชัญยะตัวตัวปัญญาถ้าไม่ฐานะดีถ้าไม่เราแก้ปัญหาชีวิตในตปิกประจําวันพวกเราได้ข็ขอฝากพี่น้องไว้ทุกคนทังมาเวลาเ่้นจกัก ท่านจะคิดว่ามาวันสวรรค์เป็นความฝันมากคืนอยู่กลับไปแล้วลืมเลยเลื่อนลางออกจากจิตใจท่านจะได้ดีเนี่ยทําอะไรไมาเสมอต้นเสมอกลายฉันจะดีได้ไหมไม่ได่าหนูทำไมทําอะไรให้มันติดต่อกันไปจเจริญกรรมาฐานเป็นการแก้ปัญหาในครอบครัวแล้วแก้ปัญหาชีวิตไม่ใช่ไปสวรรค์นิพพานมานง่รขาวโหงสขาวฉันจะไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่ ศาสตราจารย์ญี่ปุ่นถามมาวานถามแรกเลยเป็นครั้งแรกที่ศาาจารย์ลัทิมหาใหญ่ถามปัญหาค่าส่าเป็นครั้งแรกในประเทเขาสอนมหาลัยที่มหาารคามึางสามมหาใหญ่อายุเขาห้าสิบเจ็ดปีสอนมาตั้งแต่สี่สิบเนี่ยตั้งแต่สามพิแปดเป็นาสตาจารย์สอนที่ใเป็นค่าญิ่ เป็นพระสื่สอนนีนแบบมีภรรยาได้เขามีปัญหาในครอบครัวเขาถามปัญหาเราตอบเขายอมรับเลยเดี๋ยวออกทีวีช่องสามต่อไปในโ อ, อกาสหน้าจะเกิดปะโยชน์ในชีวิตเขาเองโดยเฉพาะจะขอฝากไว้เขาก็มีปัญหาในครอบครัวแต่ใครจเจริญกรรมฐ า, านได้เดินตรงกรมะอย่าทิ้ง นั่งเฉยๆมาอย่กเดินจงกรมีประโยชน์มากยืนหนอห้าครั้งให้ได้ทําได้อย่างยืนหนอ่อเอาสติและจิตดูด้วยกันให้ได้ไอจิดและสติบวกหนึ่งแต่หนึ่งลาบลองมีปัญญาเห็นหนอเห็นด้วยปอย่ญญางยืนหนอห้าครั้งเห็นคนเดินมาอาการงงมากเลยไม่ต้องคำนวณเหเห็นหนอเห็นออกจากศีรษะลงตาชาไปเดี๋ยวมันจะย้อนมาบอกเราตรงนี้ที่ทนิสิตคนนี้ครบไม่ได้ คนนี้ใช่ไม่ะกำลังมีชู้คนนี้ยิ้มตอนกู้เป็นจะตูตอนเถียงอย่าให้ขึ้นมีประโยชน์ในการดูคนไหมเ่อ่ยเราพูดมาหลายยะหนูอสอนสีมีพี่เพกมานสื้อคือพี่เพกยักษ์เสื่อสัพท์คือพี่เพจ มองโุรกาจอยู่กับธุรกิจไม่ได้ธุรกาจไม่ซื่อสัตย์หนีมาอยู่ก็นรักกรามมาเชื่อคือพิเพกหัวลาอยู่ในทุกวันท้าพระปราศพิเพกโผลลาคือตัวสติทุกวันท้าพระคือกายกับศแต่มีพิเภกอยู่ประจําตัวเราจะไม่เสียหายจะได้รู้ว่าถ้าศึกยกมาในสนามนาลิคณาโผล่ร่องเป็นสามหลักกดกล้องไปยังทุกอันท้าพระปราศจะได้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร สติคือหมอดูเราก็พาไปหาหมอที่ไหนจำไปนางลูกหลานอย่าไปหาหมอดูนอกไปหมอดูอยู่ในตัวเราคือกรรมาฐานตัวสติเป็นพิเภกไอตัวฮนุมานคือจิตตัวจิตตัวลิงองคดคือจิตคตจิตไม่ซื่อสัตว์มันคดไม่มีปัญญามันจะโกงเขาตอนนั้นได้จะฆ่าเขาตอนนั้นได้จํา หานุมารเนี่ยคือจิตเป็นที่ค่าเขาตลอดไม่นี้เอ า, ากาที่จะเป็นตัวงตัวเองได้การจเจริญกรรมฐานต้องการให้สติเกตจิตอยู่ด้วยกันของการจะเป็นอิสระเสรีการเป็นอิสระเสรีคืออะไรอิสระรชนะใจตัวเองอเข้าใจไหมครับถ้าชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นอิสระไม่ใช่ผัวเมียละกันนะแล้วเป็นอิสระ หรือไม่ก็มีผัวมีเมียไปอีไม่จริงเลยมิสละแปลว่าชนะใจตัวเองได้ถ้าชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่ชนะไม่ได้ชนะใจตัวเองได้อย่างอื่นชนะหมดยอมเข้าใจไหมคะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้ ว, ลวผมไม่ได้มาวันหน้าเพราะเข้าใจแล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ต้องมาบ่อยๆเข้าใจไหมเดี๋ยววันนี้จะพูดให้เข้าใจเลย ปลาไปรวยเป็นพันล้านเอาไหมถ้าทาใหญฉรวยเนี่ยตำราของพี่เพรข อ, องนี้แม่นถ้ามีเงินเป็นพันล้านได้รวยเงินรวยทองมากมายแต่ก่อเข้าใจไหมครับเป็นอิสระยังครับอะไรอย่างชนะายตัวเองไม่ได้ลองชนะายตัวเองที่จะเป็นอิสระ หนูสอนสนูเขา้าใจไหมถ้าแพ้ใจตัวเองหนูไม่จำไปเรียนหนังสือตามใจได้อย่างไรงตามใจตัวเองไม่ได้หนูหมายรู้ไหมค่าเสียงเคราะห์ถึงเลยเสียงเงินเสียงทองรู้ไหมหนูหมายว่าอะไรว่าตามการนันลูกปูท่อถ้าขาดคอลูกปูไม่ชอบ รู้ไหมได้ลูกหลานยังนี้ชื่นใจเนอะเพ่กันน้องหาอา่างกันคื้าปีเพราะว่าอศรีเป็นลูกสาวคนแรกของอมรกับสภามาด็อกเตอร์มายังอยู่และตักกวจิงตายังไม่ ออกติจากที่เมกาเป็นด็อกเตอร์พอได้เวลาก็สติจากเมกาไล่เวชคาถาสู่ครรภของแม่สภามาอาภามาเลยทอดออกมาเป็นด็อกเตอร์ใหม่เคยเรียนมาแล้วเรียนได้ไวไม่เคยเรียนมาก่อนจะเรียนช้า แต่พยายามต่อไปก็สําเร็จสึ้นอีก น, นะเพราะฉะนะครับการเจริญกรรมฐ า, านต้องการจะจะอ่านตัวออกไปอิสระเสรีนั่นเองเราเนี่ยแพ้ตัวเองมาตลอดเป็นที่ค้าเข้ามาตลอดหนูข้าจั น, นตามใจตัวเองตลอดถ้าเรามันเจริญกรรมฐ า, านจะฝืนใจไม่ไปตามอารมณ์ตามใจค้นอีกต่อไปเราจะมีสติยึดมั่นในตัวเองหนึ่งในตัวกององหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็น สติและเจ็ตอยู่ด้วยกันหนูจะเป็นมนุษโสภาแล้วจะเป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาไม่ใี่โอตะปะสะดุ้งตัวตะบาร์ผู้เจริผิดจิ้งทำจะหาเงินโดยสุดเจริญธรรมกระดดตายจนพื้หาม่าล่ำรวยมหาศาลเข็นหนอะหรือไม่ปัญญาถ้านหนูมีสติพอครบคํานวณวงจรคงคาจะมองคนแง่ดีหมดามาถ้านหนูล้มไม่ดีจะมองคนแง่ละ่ะเหมือนมังวีบางวัน ถ้าเรามีปัญญาครบวงจรครบวงจรนั่นนะเห็นหนองเห็นด้วยปัญญาความดีของเขาอย่งมีทุกคนความชั่วก็มีทุกคนถ้าเราอารมณ์ดีจะมองคนดีมั้ยถ้าล้มดีจะฟังเพลงเพราะหมดทุกเพลงเข้าใจมั้ยคะถ้าล้มไม่ดีขึ้นมาจะพูดเพราะก็มไม่เพราะอะไรนะถูกต้องมั้ยคะ เวลาใจดีก็กลายเป็นคนใจดำใจสูงก็กลายเป็นคนใจตับใจงามก็กลายเป็นคนใจง่าคนไว้ใจได้ก็กลายเป็นคนโลเลคนมีสเสน่ห์ก็กลายเป็นคนหน้าช้างคนพูดนาฟังก็กลายเป็นพูดในข่าวหูคนถูกหรือผิดคะไม่ถูกเลยเหรอโูกเหรแล้วเดี๋ยวนี้คนเราพูดนาฟังมีทุกคนไหมท่าล้มไม่ดีขึ้นมาเป็นไงคะพูดไม่น่าฟางัง แต่พูดเพราะใช่ไหมแล้วคนที่ปากหวานก้อนเปรี้ยวหรืแล้วคดเที่ยวคือประเภทไหนคะคนที่พูดจริงทําจริงพูดไมเพาะพูดผงผางคนที่พูดจริงจะทําไม่จริงจะพูดเพราะเจ้ขาขคุณหนูขาก็ขายาวเป็นหวาน คนจริงหายากค น, น, นมาเจริญกรรมฐานเนี่ยมันเป็นแก้ปัญหาพุทธไม่ใช่ไปโฉนิพานแต่อ า, าจารย์เนถามบอกว่าหลวงพ่อไม่หวังผลไปสวันิพานที่เ็นศาสนาพุทธรัตถิหมหายานต้องการให้มีสมาธิแต่ศาสนานี้พุทธนี้รัทถิเทระ ว, วาต้องการหลับตาไปโฉนิพาน แต่หลองห่อทําไมไม่ไม่ทําอย่างนี้นทำไมไมาทําอย่างนี้มีด้วยหรือศาสนาพุทธะทิฏยญาณเทรวะฟองช่วยเหลือประชาชนในสังคมอย่างนี้เราก็ตอบให้ท่านสังว่าถูกต้องดังนี้จรธโม่งหมายมาผลนิพพานก็เชิญที่สุดแล้วสูงที่สุดในที่ศาสนาแต่ไม่หมายความว่าจะไปได้ที่สุด ไปได้ยังไงทุกคนไม่ไยากรลกนะต้องคนมีบุญวาสนาที่จะไปได้ต้องข้าบัลลังก่แก่กละถึงจะไปสวนนิพพานได้แต่เอาแค่แต่ที่จะมาทำงานสังคม น, นอกเหนือจากอาตมามันนั่งจเจริญกรรมาฐานสวดมนต์หมายตายทางก็คือ น, นิพพานก้นขึ้นแต่นั่งกรรมาฐานเนี้ยจะได้ลึกเหตุการณ์ทุกทุกอ ว่าเราต้องตายที่ถือตุลาเราให้ชดาจาร์ฟังตกใจเลยท่านรู้หลือว่าตายบอกรู้ใครบอกสติบอกคอมพิวเตอร์ออกมาท่านต้องตายที่ถือตุลาที่ยงสี่าีพยานนี้เนี่ยโยมทวัดแม่เตียงตายไปใช่หมตอนที่ตามาคอหากตายไปอยู่ตลอดกระทั่งออกจะโรงพยาบาลอีกสองวันปิดร่างค้าหมดสองคนสามีพยาน ทั้งอุ้มทั้งเช็คกลเช็คตูงให้เค้าก็ทางาที่เลิมไม่ได้นะสะติบอกชัดเลยท่านตรงตาชุบอีกแล้วไอ้สติตัวที่สองลองมาไปออกมาถ้าเห็นใด้หรือที่เราจะต้องไปตาเช่นนี้คอหักตาลุดถุนเฮ้ยเราสักล่ะเขาตกไา้เลย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 อย่างหนูไม้เนี่ยอยู่อเมริกาแต่มาเกิดที่เนี่ยร่างกายก็เพี้ยนเปลี่ยนไปมาเป็นลูกแม่อพามะลูกพอมอนก็ต้องเหมือนในตระกูลนี้แต่ฝ้ายีที่มาวันยังอยู่ครบที่จะมีจากเมริกามาเข้าใจไหมคะห่าง ก, กันแค่คือภาก็มาไม่ทันกันบันทีสามเมีคอายุ3 ภรรยาอูยุยุ่งยามันต่างกันเยอะแยะแต่จิตอังอยู่เพราะว่าสามีมันเกิดก่อนภรรยาตามมาไม่ทันอายุมันก็ไม่ทันกันอย่างนี้แต่ละกกันเหมือนเดิมใช่ไหมรักกันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมว่าชายฉันหน่อยสิสมมตหิหน่อยไม่ได้บางทีภรรยาอายุเจ็ดสิ สามมีอายุยู่แเด๋ด็กนี่ยังอยู่ดีกว่ามันนาไม่เท่าอันนี้บอกพูดน า, านาไม่มีใครเข้าใจเวลาเราเกิดมาเราอยู่ด้วยกันแต่โยมไปอยู่เชียงใหม่ก่อนสามีแต่ตัมมาไปที่หลังก็เป็นคนที่หลังอยู่ตำาหนับทิ้งใหม่เข้าใจนะั้ย ไม่ใช่อ่อนไม่ใช่แก่มันเท่ากันแต่เวลาที่ไปอยู่กับก่อนหลังมันไม่เหมือนกันก็คนไม่เข้าใจถ้าจะเริยกรรมฐานจะรู้แน่นอนอดีตปัจจุบันอนาคตต้องรู้นี่เห็นว่อปัญญาสร้างสติอารมณ์ไม่ดีเดินหนอห้าครั้งให้ได้ไปทำสมุจกักรเดินรงกรมเนี่ยอันนี้สงห้าประการหนึ่ง สามารถอดทนต่อการเดินทางไกลสองอดทนต่อการประเพ่งเพียงสามโครคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างน่าเ ส, สีจเตรียมอาหารที่เรารับทานย่อยอย่างอ่ะห้าสมาธิที่เราเดินจงกลมตั้งได้ น, นานกว่า น, นั้นแล้วเรามานั่งจะได้ต่อไปสมาธิจะได้ไหวขึ้นถ้าไม่เดินยลยมานั่งครับ สมาธิมันขาดตอนนัหนึ่งชังง่วโมงเหมือนหน้างนิจิบไม่ได้ไหรอถ้าเดินจงกลมสมาธิใหญได้ น, นานเดินหนอห้าครั้งก็ได้รวบรวมสะสมไว้ในดวงจิตได้มันน่ะมันก็มีพลังสูงเดินสมาธิเก็บได้นากนกว่านั่งเก็บได้มากกว่านอ น, ดนเดินเดินนั่งนอนสี่อันนี้บอก ถ้าเราแก้ปัญหาในครอบครัวแก้ปัญหาที่โยมจํำว่าโกรธอย่าฝ่าฟังค้างคืนให้โกรธค้างคืนไปเช้าจะเชียเวลาถ้าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอารมณ์ค้างจะสอนไม่ดีถ้าเป็นผู้รากษาจะาตัดสินเปคุกหมดอารมณ์ค้างไม่ยุติธรรมอารมณ์ค้างโกรธต้องจับยํากายความโกรธตรงนี้ริ้นฝีหัวใจยาวตามตูกทั้งสิ้น จะยาวแล้วโกรธเนอเดี๋ยวหายชั่งทีสติมันจะบอกตัวเองทีเพศจะบอกโกรธเขาทำไมเสียสมองหมดแล้วแล้วเราไปทะเลาะกันทําไมเสียเวลาปกดแล้วจะบอกเราได้โยมจําไว้คนอื่นบอกเราไม่เหมือนเราบอกเองคนอื่นสอนเราไม่เหมือนเราสอนตัวเองจาไมหมเราต้องสอนตัวเองหนึ่ง ชตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้ไม่ใช่มังบีเมองวันทานี้พึ่งอยู่ในตัวเองรับรองอยู่บินสูงไม่บินต่ําไม่เล้วต้องสอนตัวเองได้จาไหมต่อสอนตัวเองได้ไปรอดปลอดภัยเสียใจหนออย่าปล่อยความเสียใจไว้ในจิตใจหนูจะไปเรียนหนังสือไม่เก่งจะไปเขียนหนังสือก็หมจะเสียใจปัญญาไม่มีมีแต่โมหะจริต ผิดสิ่งทำไม่สบายใจด้วยความเสียใจเสียใจหนอให้ใจ ย, ยาวๆคนเสียใจจะโกรธเนี่ยให้ใจช่างไม่มีสติปัญญาเลยหายใจ ย, ยาวๆและต่างะถือสติเล่นเปียหนูไม้เล่นเตียวที่ไหนเล่นเปียอยู่ที่ไห น, น, อไหนเอาละหลวงปู่จะบอกเขาเชื่อกวัดใบด่างตรงนี้น กับสะเดย์แล้วพับเปล่งอยู่ถึงนี้บางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อฉันกําหนดได้ดีมากเวลาโกรธก็กําหนดแม้หายเลยแล้วลิ้นป TA ีกไหนอันนี <mo an> <Let> um ้ม <aden> ันลูกกระเดือเอ๊ะก็ได้ผลเหมือนกันอาทุ่ยนี่ลิ้นปีอยู่ตรงอยู่ตรงไหนแต่ก็ได้ผลแล้วเขาไม่รู้แม่หลวงพ่อขาที่ฉันกําหนดแจ๋วเลย พอโกรธหนอหายเดอดเสียใจหนอหายอยู่ตะกอ น, นี้ฉันกับจงแม่สงอนผัวว่ายังไงเนี่ยเสียใจร้องไห้ทั้งคืนโดยฉันก็เสียใจหนอที่ที่ลิ้นปี๋เลยหายเสียใจตะก่อ น, นี้ว่าผัวเรียกผัวนะตะก่อ น, นี้ฉันเรียกผัวฉันเนี่ยคุณพี่ขาพอลมเสียขึ้นมา อาเฮียอาเฮียอาเฮียเนาะเลยฉันก็กำหนดเสียใจนาะหายเลยเลยฉันไปกราบอาเฮียกลายเป็นคุณพี่ตามเด็กถ้าล้มเสียแล้วก็เปลี่ยนชื่อคุณพี่เป็นอาเฮียสูงหน่อยแล้วบางทีเปลี่ยนให้สูงเรียกว่าตู้เฮีย สู้เฮียและบางทีเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นเปลี่ยนหน้าสามีให้สวยขึ้นกว่าเดิมเสียใจเยอะหน้าสามีอะดีแล้วไปเปลี่ยนเสเรียบลอยไปเปลี่ยนทําไมเปลี่ยนทําไม เลยเสียใจนี่กำหนดตรงนี้ถ้ากำหนดได้อารมณ์ดีป้าแผ่ไม่ตาได้เด็ดทำไมจึงว่า น, นางกรรมฐานก่อนว่าแผลไม่ตาถ้าต้องการอารมณ์คงที่คงวาคงสอบให้อารมณ์ดีแล้วก็อยแผลแต่เราในะหากเรอยู่ปกติไม่เดือดร้อนมวยพระแต่อารมณ์คบวงจรฉะนั้นนะกําหนดได้แพรลได้เงินให้ลูกคนเดียวสามีให้ภรรยาได้เด็ดถ้าอารมณ์ม่ดีอย่าแผ่นะแผลสองหรืองเองเลย รู้จักแผ่สองขลุ่นไหมยิงปืนตกตากระบอดไม่มีพลังส่งยิงปืนตกบางบอกหมดแผ่สองขลุ่หงายหลังนีง่ถ้ามีพลังเจ็ดคือเมตตาด้วยศรัทธามีคืแผ่ได้เลยลูกอยูอเมริกาถึงกันทีจะแผ่ให้สา ม, มีก็ได้แผ่ให้ภรรยาก็ได้เคยแผ่ให้้สา ม, มีไหมทําไมไม่เคย ต่อไปนี้แพนะขอสามีอยู่เย็นไปสุดได้ไหมได้ต่อ น, นี้แผเลยให้เขาอยู่เย็นจนสุดตลอดการประ ว, วาศาสนร์นะเจ้ค่ะจิตชันก็มีความสุขแลยนะจ้าค่ะได้นะได้โมทนาดูแลบววางคนมีสามีถ้กจะพระราชทานก็เอานะโยมผู้ชายเนี่ยเข้าใจกว้างเขาไปทุกวันฉดอน มักซียังพระทานได้แต่เราทำไมหนออย่าใจแข็งทำไมสา ม, มีพระทานคุณอื่นไม่ได้เหรอได้ไหมได้ไั้มนั่นลกูกศิษว่าความต้องได้อัตมานี้พระจะทานหมดเลยโยมชาเชื่อถึงมาบวชให้หมดลูกเตาให้หมด ก็ทานแม่บ้านเป็นรู้ไหมรู้ไหมก็มาให้เขาหมดแหลแล้วลูกตาวให้หมดจึงยังมาบวชอยู่ดีไหมไม่เชื่อเหรอเนี่ยอาชงอชเชียร์ไหมฮะอะไรนะทำไมรู้ยดงไงนะ ลกตาใหายเ้าหมดสองกุ้มายีพระปรานไปได้รู้ไหมมัดซีแล้วก็หายหมดแล้วอยองผู้ชายใจกว้างยองผู้หญิงจะว่าใจแคบก็มาเชิงนะหล่งพ่อคะพี่โทรแลยมีจังทุกครั้งนับถามานั่งกรรมฐา น, น, าานโอ้โหยิ่งหัวสา ม, มยาียหา่หลงพ่ออย่าพูดมันผิดฉันเคยเหึงผัวเลยไม่เลย ขายยากย่ไปต่ตำารามิโยอันันไม่ถึงไม่หวงแต่อย่ามาควงให้ฉันเห็นมาควงมันเป็นไงควงเป็นไงไม่เคยเ ข, าาข้าใจเพราะเราไม่เคยไปควงกับใครอาจงว่าควงมันเป็นไงนะฮะอะไรฮนะ ขวงมันเป็นยังไงอย่ามาขวงให้ฉันเห็นควงมันเป็นยังไงนะอย่าได้ตำรามมาสอนก็จะไม่ได้นะยอมตอบสิขวางเป็นไงนะพามาเดินไี่ไกอ๋อทำนี้เองเลยเหรอโอ้โหัมมาพาก็เดินเยอะเลย เนาะการเจริญกรรมาฐานแก้ปัญหาชีวิตและสร้างอุศลให้กับตัวเองการเองเงินมาทำบุญเนี่ยเป็นการชยทานถ้าสร้างบุญให้กับถิ่ชีวิตแปลว่าความสุขมีใมใจไม่มต้องใช้เงินใช้ทองจะประทานไดน้หายากมาแต่ไม่ควรจะทำถอบถวายสังทานถวายเงินถูกต้องทานทพบรรยาก็ดี แต่ที่แน่ที่สุดคืออาบุญมาไว้ในใจให้เกิดความสุขอย่ามีความทุกข์ต่อไปไม่ต่อหาทุกมาทุกเราเต็มเป้าเต็มกระเป๋าเยอะทำไมหนอไปเอาทุกจอนนอกบ้านไปเก็บเอาทุกนอกบ้านมาใายใจจะเกิดความระบาตใจในอนาคตขอฝากไว้เห็นด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาเลยได้ไหมจิตมันเกิดทางอวิชทางสีญญ เสียงหนอเขาพูดเขาด่าเขาว่าเราไม่สลาปัญญาเราจะไม่รับฟังเกิดขึ้นตางอยู่ดับไปหาเขาเองอย่าไปรับเอามาเขาด่าเขาว่าใครดา่าเรามันก็ไปหาเขาเองมันไม่มาหาเราขอประทานโทษพูดสนุกเล่นมึงด่าใครกูด่ามึงอ้อนแลว่าด่ากูมึงก็ไป ห, หมดถูกไหมนะ ไม่ถูกไม่เป็นไรเขาดา่าเขาว่านิ่งหลวงพ่อหนิ่งหลวงพ่อนเอากระถาไปหน่อยหลวงพทอนหลวงพ่อนิ่งไปไหนตาดูหูฟังปากนิ่งขอทานขอทานเตียนเรียบเว่งมือทําแต่ความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาได้ไปไหนเอาตากับหูไปยาวตาไปก่อนได้ไหมาตาไปก่อนจะไปพูดมันเสียหายเพราะว่าประเพณนนี้ไม่เหมือนกันเราจะไปว่าเขาไม่ดีได้ยังไง จะพูดว่าเขาไม่ดีน่าจะพูดว่าเราไม่ดีดีกว่าถ้าไปพูดมันเสียหายเราจะไปต่างประเทศไปว่าเขายัางานประเพณีบ้านจะไม่เหมือนกันไม่ต้องบ้านเราแค่อำเภอเดียวยังประเพณีเหมือนกันต้องไปพูดทําไมมันเสียชื่อเสียพูดไปขาดใจเขาคํำเราเบาราคาทำไดขาดในตาลดละคา ง, งานเราเองถูกไหมคะไม่ถูก ไม่ถูกก็ขอผ่านเนาะมาลดราคางานแล้วได้ญาติโยมทั้งหลายโอย้ยการเจริญกรรมาฐานเพื่อแก้ปัญหาชีวิตได้แน่ไม่ต้องไปสวรรค์นิพพานเอาแค่ไม่ตองตกนรกไม่ตองไปอาบายามุกอาบายพรมนรกเปรตรุกาเฉลกฐานไม่ต้องไปเนาาบบี่ยไม่ต้องปิครบวงจรที่จะไม่ไปนรกชราทําได้ปิดประตูอาบายได้เลยไม่ลหลงไหลปัญญาบายามุก อาบายภูมิแน่นอยัอยงตามแล้วต้องกลับมาเป็นโลกมนุษย์สมบัตรและจะไปสุขสวรรค์ทุบัตรนิพพานทุบัตรได้อย่างแน่นอนไม่มีทุกข์ไม่มีความยากไม่มีความบาปในอนาคตแน่นอนขอขอฝายญาโยมไปคิดในวันนี้พยายามอดทนหน่อยอดทนไปนสม บ, บัติเขาตองส่อสู้ความรู้ไปสม บ, บัตขิขาตปราศความสามารถเป็นสม บ, บัติขาตองประกอบปิติความไม่เบียดทุกชนิดเป็นสม บ, บัติทุกชนิด เพราะฉะนั้นวงจรจะครบการปฏิบัติกรรมาฐานยืนเดินนัน่งนอนเหลียวซ้ายเหลียวขวาที่ยาหมันยากน่ารักน่าดูน่าบูชารวมจะเป็นหญิงเด็นแม่บ้านก็น่ารักมีแม่บ้านกาเรเลี้ยงแคยะสาบอย่างนี้เป็นพ่อบ้านอย่างที่หน้าเคารพ บ, บูชาของแม่บ้านให้เกลียดเช่งกันเลกันให้อภัยซึ่งกันเลยกันอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมีอะไรไหมที่ให้อภัยกันไม่ได้ งามสีที่ดีสีแบบสกตานุสีอย่างจะต้องด่จากธรรมฐานไม่ต้องไปสวรรค์พานาไม่ต้องพูดยานที่หกไปยานที่หกทาไมแค่นี้ยังทำไม่ยานจะไปยานไหนยานอะไรกานยานจึงแปลว่ายา น, นางความรู้ในปัญญาที่เกิดขึ้นงามสีที่ต้องด่คือมีสติธรรมชัญญะงามอะไรหนูงามด้วยเครื่องแต่งตายแต่งตัวให้มีระเบียบมีระบบเรียบร้อย งามตรงเครื่องแต่งกายทุกคนสองงามที่อวัยวะหน้าตาหนูถ้ามันไม่งามไม่มีปัญหาหนูไมยลงพื้นวาดแผนที่ถ้าจะวาดแผนที่โปรตูนาวาดให้มันตรงหน่อยบางโยมมาเนี่ยจะมาสักเพจจกักบางทีไปจางเนี้ยบางทีก็ลงตรงเนี้ไม่ได้ดูกระจกเล ย, ยมันต้องวาดให้ดีหน่อยนะ ทำให้มันเข้าท่าเขียนให้มันตรงๆไม่ใช่เสียหายงามเนตรงามหน้างามพระปรางงามอาวัยวะรูปร่างหน้าตาหน้ารักหน้าคลายหน้ายินดีหน้าปีดาสองามงา ม, มยามายากคียามายาคเรียบรอยไปลา ม, มาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนปาบหวานตัวอ่อนมือเป่งหงษ์ียามายาคหน้ารัก ประทับใจของคุณได้เห็นได้พบสีงามด้วยน้ําจากอรัญญาสายวิสัยท่า ก, กวางกายจำว่งงาม้ำตรงเดซีแบบนิ่งใหญ่กับมชาติเดที่ชาติตระกูลขั้วตอนชาติตระกูลขั้ตอนนี่สูงมากสองดซี ท, ที่ทรัพย์สมบัติมีอธิยาศาภายในอธิยาศาภายนอกสาม ดีที่มีวิชาความรู้ความสามารถเข้าใจไหมไม่มีวิชาความรู้ความสามารถใช่ไม่ได้ c d ที่มีศีลละทรรมประจําจิตตั้งใจประทํากรรมฐานครับรองจะได้ผลสมค่าศาสนาทุกประการะตัญญูสี่อย่างต้องครบคนที่ทํากรรมฐานจะมีจะมีตากตัญญูบูชาต่อพ่อแม่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 แล้วที่ตายลยลังเออ้อปล่อยไปโอ้โมทนาุตสาให้ทานให้ทานได้แม้ดีเล็กเขอโมทนาด้วยขอร่วมบุญด้วยเนะี่ยขอร่วมบุญด้วยอาชงออรู้เรื่องไหมเนีรู้เรื่องไหมร่วมบุญกันทั เรื่องนี้หาจ้าเลี้ยงลูกปลูกฝังลูกไปให้ลูกตั้งตนฝึกรับศึกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญามีวิชาตั้งตนให้ลูกเป็นคนดีได้ให้ลูกเป็นนกเตยได้เข้าใจไหมให้ลูกเป็นนกเตยได้มาพลับหนึ่งวันหล่อพ่อจใจแพ็คหนึ่งกิโลเลท้องหนึ่งตันแต่แพชคกับทองทของเราที่ห้องไม่ต้องใช้ตำรวจอะรักขา เอามาไหว้ในหัวใจเส่หรอดีไหมดีเหรโยงเห็นด้วยนะานอาจารย์ูสี่อย่างหนูไม้ฟังาอาจารย์ูต่อบุคคลรู้พระคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงเรามารู้พระคุณของครูบาอาจารย์รู้พระคุณของชาติสืบครูมันจะบูมบ่ายเกิดมันนอนของตว รูปภคุณถึงอาชีพการงานที่เราไม่อยู่อย่าทิ้งหน่งสองปัจจันยูต่อสถานที่รูปภคุณของแหล่งให้เกิดความดีและสภาพความทั้งโรงเรียนละแหล่งให้เกิดวิชาการและแหล่งให้เกิดความถึองอุปรกรณ์ใช้สอยต่างๆและอาชีพการงานโดยชั้นตีวิจิตรสามปัจจันยูต่อความดีรูปภคุณของความดีที่เขาทําเรา ทำให้เราเป็นคนดีเลืมเขาไม่ได้คือการอยู่ต่อตัวเองรูปแลคุณของวัยวัลางกายสุขภาพบรรญายรักษาไว้เราเลี้ยงโคถึกมะลึกคาช่างมะไวนะ้ฉน่างเลี้ยงสังขารไว้ใช่หรือเลี้ยงสังขารไว้สร้างความดีในชุดขงังวเราให้กับลูกหลานร่างกายเป็นทรัพยากรชีวิตสร้างความดีให้กับตัวเอง สร้างความดีกับลูกทำถูกวิธีกับหลานรักษาถูกวิธีตาความดีทห่ลูกดูกาันต์อยู่ต่อตัวเองคือลูกและคุณอย่างตรงไป ร, รักษาสุขภาพอันามั่นมยย้ยายมีโครคภัยไข้เจ็บเป็นเดยมโดยเฉพาะโรค ก, กายบริหารกายเดินตรง ก, มกรมโรคจิตย้ายมีอย่างให้เครียดโรคจิตเครียดมือผลิตผิธรรมดาตั้งสติไว้ทุกประการรับรองอวัยวะชั่นชื่นเบิกบานอาหารการบริโภคดุจยาสาโรคทุกประการ ไม่มีโลกกายไม่มีโจรจิตชีวิตแจ่มใสในอนาคตโลดโชตนาการสมปรารถนาในความหวังที่ขา้างหน้าต่อไปถึงเราจะเท่าเฉลยแก่ชะลาเราตายไปด้วยตาหลับสบายอุสบายใจด้วยความสงบไม่มีความอดต้องมีความอดทนโรคภยัยแคเจ็บจะเ บ, บียดเบียนก็น้อยถึงจะตายก็ตายด้วยความสงบไปจะครบรบทขบวนการสมปรารถนาทุกประการ อะไรหนอจะรักเราเข้าเรารักถึงโลรดูนาเมตตาตัวเองให้มากที่สุดใครหนอใครจะจะรักเราไม่มีแล้วพอแม่เราก็บ้านก็ตายไปแล้วเราจะไปพึ่งใครพึ่งสามีก็แลหาพึ่งภรรยาก็เปลี่ยนกายพึ่งตัวเองดีสุดช่วยตัวเองดีสุดสอนตัวเองดีสุด ไม่มีรายยีกว่านี้แลขออนุมโมทนาสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่เรามาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญตลอดระยะเวลาที่อยู่ณนะบัดนี้บัดนี้จะลาไปแนละ้วจนได้โหติกรรมเอาโหติกรรมในที่ประชุมไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนตลอดเลยการหนกนี้บ่าวหน่อยให้อภัยกันลาทั้งวัดลาทั้งวัวันชาทั้งเสมาพระพุทธรูปในวัดแล้วลูกอมูเลเ จ, ะจะยีย ในวัดลาทั้งหมดจะเดินทางไปโดยสวัสดีมีชายเจริญสุขเจริญรวดเจริญอคตานจเจริญหน้าที่ ก, การงานจเจริญใน ก, การค้าค้าขายจะได้ดีมีปัญญาแก้ไขปัญหาสมปรารถนาดังกล่าวแล้วอาตามาภาพเขา อ, อนุโมทนาที่ทานไปลามาว่าจะได้รับพรสี่ประการอภิวาตนาสิริชนิจังวุฒาปจายโนจาโลธรมาวัชานตีอายุวโนุตังพลังพรสี่ประการข้อหนึ่ง คืออายุยืนสองผิวพรรณผ่องใสพอที่สามสุขภาพอันมั่นดีพอที่สี่สำเร็จตามเป้าหมายและ ว, วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจและทุกประการพอที่ห้าทราบถึงเงินทองมากมายกายกรสั้งชับทัางบริวารข้าทาบบริวารในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขชื่อสาตุจิตปัิธายันประหยัดให้มั่นหา่นรังให้อบายอยู่ยังท่าน ท, ทําตามอย่างที่กล่าวแล้วรับรองบ้านท่านจะเลยลูกเลีอยง สามารถแก้ปั ญ, ปญหาตรงนั้นการได้มีลูกก็ดีหมดทุกคนไม่เสียหายแน่นอนถ้าพ่อแม่ไม่ดี ส, าา ร, ส ร, ร้างสาคุรุษกรรมรับรองลูกเสียหายแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยพ่อแตกแยกแม่แตกแยกลูกจะไปพึ่งใครล่ะแถมทิ้งลูกเสียนาที่ไดเวลาที่มีประโยชน์แก่ท่านเองท่านไปคิดเอาได้เลย ท่านกลับไปบ้านโตได้คิดให้ลึกถึงก้าวปอกเสรเฉาะต่อให้ท่านจะได้รับมรดกผลสมค่าพัฒนาทุกประการขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาพะละปฏิภาณธนาสามสมบัติเนคเชสินุรปริการด้ชมความมุ่ง ม, มา่นตั้นาทุกการทุกลูกลุงนาม ณโอกาสนี้เทินขอเจริญพรทุกทุกท่าน